5921991วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ น, นัฐพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีครคล้กรทางการศึกษาสู่มาต ร, รฐานสากล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 รายการจิตวิทยาดีๆจะช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะ4ี่นาฬิกาสานาทีถึง5้านาฬิกานะคะก็ครึ่งชั่วโมงเต็มๆค่ะกับจิตวิทยาที่ทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยมองโรคในแง่ดีแล้วก็คิดบวกมากขึ้นนะคะดำเนินรายการค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะแล้วก็ลูกยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจําภาคจิตวิทยาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุ้ยสวัสดีครับลุงดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าปลายปีแล้วเหมือนกันนะคะลุงกันยายญ์ปลายปีครับกัญญาและนะคะบางทีก็ความรู้สึกแบบเบื่อๆในๆในงานที่ทําในชีวิตประจําวันมีบ้างไหมคะลุงลุงมีไหมคะก็ก็มีบ้างนะครับบางทีมันมัน มันจำเจบ้างหรือว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้บางทีมันก็เบื่ออยู่กันเนาะแล้วลุงทํำยังไงคะถ้าเบื่อจริงๆก็พยายามที่จะวางวางงานงานเดิมนั้นไปก่อนแล้วก็ไปไปหาสิ่งใหม่ทําที่เรารู้สึกมีความสุขขึ้นแต่ไอ้ความเบื่อหน่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนใช่ไหมคะ เกินได้กับทุกคนครับเพราะว่ามัเป็นเรื่องของอารมณ์นะครเป็นเรื่องของอารมณ์ทำอะไรซ้ําๆนานๆก็เบื่อหน่ายเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงความเบื่อไหนอะไรนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเราจะพูดถึงความเกลียดอืโอ้ความเกลียดความเกลียดก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะแล้วก็เกิดบางทีไม่มีสาเหตุด้วยนะคะลุง ไม่ชอบขี้หน้าทีเจอลุงทีไม่ชอบขี้หน้าลุงไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบไม่ชอบคือไม่ชอบจะให้ลุงทำอะไรเออลุงทำยังไงดีแค่ไหนทีก็ไม่ชอบอ่ามันมันมีเหตุและผลเดี๋ยวเราจะมาคุยกันวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของวิธีการเอาชนะความเกลียดครับอืมลุงคือเราจะบอกกันว่าเราสามารถเกลียดตัวเองได้ไหมคะลุง ฉันเกลีตัวเองจําเลยที่ไม่สวยไม่เก่งไม่ดีอย่างใครเขาที่จริงไม่เกลิยดหรอกนะแต่รู้สึกว่าน้อยใจดีกว่าโอ้ไม่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วไปเปรียบเทียบไงเปรียบเทียบกับโตข้างๆที่นั่งทํางานด้วยกันเรียเทียบกับคนนี้คนนั้นถ้ามันทําให้เราน้อยใจน้อยใจพอมากๆมันก็รู้สึก พิธีทำอะไรไม่ได้อย่างใจมันก็เริ่มเกโกรธเนาะโกรธตัวเองเนี่ยหรอคะโกรธมันโกรธก่อนค่ะโกรธเสร็จแล้วโกรธบ่อยๆครั้งก็เริ่มเกลียดไว้เอ้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายระดับนะครับในในเรื่องของอารมณ์เกี่ยวกับความโกรธความเกลียดครับผมค่ะรุงยุ้ยเคยเกลียดอะไรเกลียดใครไหมคะเกลียดคนยังไม่ยังไม่ถึงกับเกลียดเนาะแต่ไม่ชอบอไม่ชอบกับเกลียดต่างกันไ้มคะ ต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะเลยต่างกันยังไงคะลุงไม่ชอบเนี่ยอาจจะเป็นเบื้องต้นเช่นพฤติกรรมแบบนี้เนาะเขาทําฤติกรรมแบบนี้มาเรารู้สึกว่าไม่ชอบค่ะนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยถูกใจเราแต่ก็ต้องบอกอีกอ่ะเพราะเราเอาไปเปรียบเทียบเรากับเขาไงถูกไหมครับสิ่งที่เขาทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้แต่เราไม่ชอบเกลียดเกลียดนี่มันอีกเรื่องเลยค่ะนะครับลุงลยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึง สมมตว่าน้องทีเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขรักเลี้ยงหมารักหมามากเลยแต่วันเนี้ยไอ้หมาที่ว่ารักเนี่ยมันมากัดรองเท้าผู้เปิดของน้องทีอ่ะอันนั้นก็รักนะรองเท้าก็รัก อ, อน้องทีจะเริ่มจากโกรธกับพฤติกรรมนั้นก่อนอืมโกรธกับสิ่งที่ที่หมาทํา แต่ไม่ถึงกับเกลียดเพราะว่าเรารักเขาอยู่ยังไม่เกลียดก็ไม่เอานะอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะแล้วขนาดเด็กันบางทีก็เปลี่ยนที่วางรองเท้าใหม่ก็เอิญหมาตัวนี้ฉลาดมากแล้วก็ดึงรองเท้ามากัดอีกถครั้งที่สองครั้งที่สามซ้ำๆเปลียนจะกกรธเป็นเกลียดแล้วล่ะอืมเพราะว่าเขาทําผิดซ้ําๆใช่ใ่นี่คือคําว่าโกรธกับเกลียดที่ต่างกันค่ะคือเวลาที่เรารู้สึก เกลียดแล้วกันนะคะลุงเราจะทํำยังไงดี ค, คือหมายถึงว่าลุงอะคะ่ะถ้าลุงแบบเป็นสุนัข ก, กับสุนัขของลุงตัวนั้นที่ลุงยกยกยกตัวอย่างเนีว่าเราเริ่มกลียดแล้วมันกัดรองเท้าเราบ่อยๆลุงจะทํำยังไงกับมันคะก็ถ้าว่าเป็นลุงลุงลุงก็ไม่สามารถให้อภัยมันได้เหมือนกันนะในเบื้องต้นต้องต้องบอกว่าฉันก็เป็นคนปกติคนหนึ่งที่อาจจะเอาไปขังนะลุงไปขังทำโทษมันอาจจะดุมันอาจจะอะไรตอะไรอย่างนี้ มุมใจมุมหนึ่งให้เขารู้จักว่านี่เขาผิดนะทั้งที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ภาษาคนที่พูดไปอะหมาเขจะไปไแปลแปลแปลเป็นภาษาหมาได้ไหรือปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะไปขังเขาสามวันอยู่ในกรงจากปกติที่ให้เคุ่งอยู่ปกติก็เป็นไปไ ด, จจปไปได้ได้เหมือนกันอเพราะอะไรคะลุงเราถึงมีความรู้สึกว่ามันเกลียดหรือว่ามันไม่ชอบ ก็มันเป็นเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยอย่างที่บอกครับคือสถานการณ์หรือคนคนนั้นเขามาแสดงพฤติกรรมหรือว่า ท, ทําท่าทีที่ที่เราไม่พอใจก่อนะนะครับไม่พอใจก่อนยกตัวอย่างอย่างเช่นเราขึ้นรถเมล์มาเนาะค<ะ>เราเห็นที่ว่างแล้วล่ะเห็นเห็นโต๊ะว่างแล้วล่ะจะเดินไปแล้วมีอยู่แล้วอะะ่ะมีใครเจ้คนนึงก็แรกตัวเข้ามาแล้วก็นั่งปั๊บ ความรู้สึกตอนนั้นน่ะแบบลุงลงรู้สึกอะไรเนี่ยคือที่เคยครั้งหนึ่งรู้สึกแบบแย่มากเหมือนกันลุงคือทีกับกัปปิไฟถอยละที่จอดรถมันว่างที่กําลังจะเดินขับรถไปข้างหน้าเพื่อที่จะถอยเข้าจองแล้วแล้วที่จะเอาเอาด้านหลังเข้าเอาหน้ารถออกอีกคันหนึ่งมาเสียบแล้วเอาหน้าเข้าไปเลยหน้าตาเฉยเลยนี่ไงคือความรู้สึกคือคือโกรธค่ะลุง แต่ไม่รู้จักเขานะคะอย่างที่สองที่เรารู้สึกก็คือเขาไม่มีมารยาทเออแต่ก็ทําได้แค่นั้นนะคะไม่รู้ว่าจะทําได้แค่นั้นจริงๆไปพูดยังไงดีอืมแต่แต่ถ้าเป็นกรณีที่มันยังต่อเนื่องอ่ะค่ะคือหลังจากนั้น่ะผู้ชายเอสมมติว่าคนขับรถคนนั้นเดินลงมาปุ๊บแล้วก็ก็เจอทีตรงลานรถอยู่แล้วเขาก็บอกว่าผมเร็วกว่า ก็ทำได้ก็อาจจะจะเริ่มโกรธมากขึ้นไหมก็ถ้ามีความสุขก็ทําค่ะก็คงจะโกรธมากขึ้นแต่ว่าโกรธเนี่ยโกรธเนี่ยเราจะเราจะไม่สามารถเกลียดคนที่เราไม่รู้จักได้อย่างนี้ไหมคะลุงคือย่งครับย่งครับเราเราโกรธเขาในพฤติกรรมอย่างที่ลุงยกตัวอย่างมาเนี่ยที่ก็จะโกรธมากเขึ้นแต่มันคงไม่ถึงกับเกลียดไหมคะยังไม่ถึงกับเกลียดครับแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่า สมมติถ้าเผื่ว่าต่อค่ะ<ฆ>คนคนนั้นน่ะก็เข้าไปสมัครงานแล้วก็ทํางานในสายงานที่น้องทีจะต้องอยู่ในห้องด้วยกันอะ่ะอืมแล้วเขาเกิดทําพฤติกรรมอะไรอีกอย่างสองอย่างที่ให้เราแย่ความเกลียดมันจะมาละมันก็จะแบบอ๋อเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้หรือว่าวันทีเขาอาจจะทําอะไรผิดเราก็จะแบบสมน้าหน้าเขาเออที่น่าจจะเป็นคนธรรมดานะคะคุณผู้ฟังเหมือนคุณผู้ฟังนี่แหละว่าไม่ได้เออมีความคิด ดีไปหมดทุกอย่างใช่เราไม่ได้โรคสวยอย่างที่บอกหรอกแล้ก็ต้องตามสภาพก็ดีดแล้วล่ะเขาเป็นคนแบบนี้เขาก็สมควรได้รับอะไรแบบนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะอินไปกับทีมากไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะเรากลับมาต่อกับจิตวิทยา ก, กับครูย้ยในช่วงที่สองกันค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายรยราั ย, า ย, า ย, ลายแห่งนวัตกรรม rmut moving towards Innovative มองเธอกับเขาเดินจับมือด้วยกันพร้อมคำพูดที่ฉันเคยได้ฟัง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 เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจนถึงสุขโทร 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนึ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับมหาวิทยายลัยเทคโนโล ย, ยีราชมงคลอีสานขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่10ทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ปี2562ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2562ณมหาวิทยายลัยเทคโนโล ย, ยีราชมงคลอีสาน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 จิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อคะ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงวิธีการเอาชนะความเกลียดนะคะลุงคะ่ะไอความเกลียดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความอิจฉาริษยาเลยไหมคะเออได้ครับถ้าผดบอกตรงนี้นะ ค, คือมันเริ่มอย่างนี้ปัน่นกรธนะโกรธมันเริ่ม เริ่มไม่พอใจเริ่ม<ะ>ครอนเริ่มเกลียดเกลียดเกลียดเสร็จแล้วก็อาจจะขยะแขยงคมันมันอีกระดับหนึ่งนะดังนั้นในทสุดก็คือมันก็จะรู้สึกว่าอยากทําร้ายคนคนนั้นเนะีอ่อคือดีใจดีใจที่เขาล้มเหลวที่เขาแย่รยเราสะใจ<ง>อย่างนีง้ใช่ไหมคะนะครับแล้วก็<ม>อาจจะรู้สึกขณะเดียวกันอีกมุมมองหนึ่งถ้าเกิดขณะเราโกรวมันขนาดนี้แล้วมันก็ยัง มันก็ยังมีคนนับหน้าถือตาอาจจะอิจฉารลิสิยาบันทำไมเขาไม่เห็น ใ, ในมุมที่เราเห็นถูกต้องครับนะคะอ่ะพูดถึงความเกลียดความโกรธกันมาเยอะแล้วลงุงเราจะมีวิธีการเอาชนะความเกลียดได้อย่างไรบ้างคะอันแรกเลยเนี่ยครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีใครในโลกเนี่ยทำถูกต้องหมดทุกอย่างนะเรัเรายังเคยทำผิดถูกไหมค่ะเพราะนั้นอันนี้ อันนี้เราก็อาจจะต้องให้สัจจากับตัวเองไว้ว่าถ้าเผื่ว่าเราทําอะไรผิดเราก็ต้องสํานึกเ น, ะะนาะขณะเดียวการคนอื่นเขาทําผิดก็ก็อาจจะไม่ถึงกับให้อภัยในตอนแรกแต่ก็ก็คงไม่ไปซ้ําเติมเขาทันทีคร<ะ>ับนะครับส่วนนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะว่าถ้าเผื่ว่าเราเริ่มกัดโกรธแล้วมาเกลียดเนี่ยมันจะฝังลึกไปเรื่อยๆะนะครับเพราะนั้นอันแรกเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่า ทุกคนมีสิทธิ์ทําผิดได้ครับค่ะอย่างที่สองถ้าเราไม่ชอบเขาอย่างนี้เราลองไม่สนใจเขามันก็เป็นวิธีเอาชนะได้ไหมคะลุงไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจได้ได้เลยนะครับค่ะคือถ้าเมื่อคนไม่ชอบคือบางคนเนี่ยนะครับเขก็จะเป็นแบบแบบที่น้องฟีพูดเนี่ยคือถ้าอย่างนั้นเราก็ตามคนต่างอยู่ก็แล้วกันมันก็อาจจะไม่ได้เกลียดกันมันก็อาจจะเฉยเฉยกันไปค่ะ เพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีร่วมกันอีก mm. แล้วต่างคนต่างไม่เจอสถานการณ์ไม่เจอสิ่งแวดล้อมเหมือนเหมือนกันมันก็ต่างคนต่างอยู่ไปก็ อ, อาจจะทําให้ความโกรธความเครยียดนั้นค่อยๆ่อยลดลงก็ได้หรือบางทีก็มองค ข, ข้ามไปบ้างให้เขาเป็นอากาศ <c oughs> ้อก็อกว่ามันมั น, ม, นมันแบบทําไม่ได้จริงก็ยังโกรดก็ต้องพยายามอย่างที่น้องทีบอกอะพยายามคิดว่าเออ ถังมันคือว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้มันไม่ได้เป็นญาติโยมเราอื่ไหมครับยังมามีอิทธิพลกับเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะถ้ากผมว่าเมื่อไหร่อันนี้อันนี้ลุงขอบอกเลยเมื่อไหร่แล้วแต่ที่คุณยังรู้สึกกับคนคนนี้อื่นแต่ว่าคุณรักเขาอยู่คไม่ได้โกรธไม่เกลียดนะจะบอกให้นะครับเรายังแคร์เขานะคะแคร์เขาอย่างสุดเขาเบางทงมีเพื่อนคนนึง และเพื่อนดูรู้สึกเลยว่าเพื่อนควรจะออกกําลังกายแล้วแต่ไม่ออกฉันก็ออกทุกวันก็ชวนเขาทุกวันแล้วเขาก็ปฏิเสธได้ทุกวันอื mm hmm. ทําไมนะไม่ยอมมาออกกําลังกายรู้ไหมเนี่ยว่าวุ่นขนาดนี้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอันนี้น้องทียแค่์เขานะั่นแปลว่าคุณยังรักเขาอยู่อื mm ัง hmm. แต่ถ้าคุณไม่รักเขาเมื่อไหร่คุณจะปล่อยเขาไปเลยอเรื่องของเธอละค่ะ คือเขาเนี้ค่ะลุงถ้าถ้าสมมุติว่าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งหรือว่าเขาเกลียดเราอ่ะถ้าเขาเกลียดเราอวันหนึ่งเขาจะเกลียดไปแล้วอะมันจะมารู้สึกดีกับเราได้ไหมคะมันสามารถกลับมารู้สึกดีกับเราได้ไหยคะเขาเกลียดเราใช่ไหมค่ะก็ขึ้นอยู่กับอันนี้อันนี้ตอบยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเขาเนาะค่ะถ้าเปลี่ยนเป็นเราเกลียดเขาเนี่ยเรารู้อะว่าเราจะให้อภัยเขาหรือเปล่าใน ในสถานการณ์วันทนั้งนาอื่ไหมครับถ้าเขาทําทดีขึ้นเขาสแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้นเขาเปลี่ยนแปลงไปจะแบบด้วยการไปไปฟังพระฟังเทศหรือใครบอกมาแล้วเขาพฤติกรรดีขึ้นเราอย่าไปเกลื่อนเลยเพราะว่ามันเผาใจเราตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ยังเกลียดเราเหมือนเดิมนะคะลุงแต่ถ้าเขาเกลี่อนเราเล้เกลียดแล้วเกลียดเลยอย่างเงี้ยเหรอคะอ่เราก็บอกเขาถ้าเราทําดีหนึ่งสองสามแล้วค่ะไม่รู้จะทํำยังไง อก็ต้องก็เฉยเออต่างคนต่างไปไหมล่ะมมันอาจจะมีความสุขกว่านะคะ <c oughs> ถ้าไม่อยากให้คนอื่นเกลียดเราเราต้องทํำยังไงครับลุงถ้าไม่อยากให้คนอื่นเกลียดง่ายมากเลยอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้องทําทําเป็นตัวของเราเองเนี่ยแหละแต่ในแง่บวกค่ะนะครับทําเป็นตัวของตัวเองเนั่นแหละไม่ต้องไป ทำพฤติกรรมดีเพื่อใครอืทำดีดนะกับเขาไปก็แค่นั้นนะคะถ้าเขาเกลียดน ะ, ะใช่ครับเอาเวลา<ช>ไปนะทําดีกับคนที่เขารักเราดีกว่าถูกต้องเลยครับ <c oughs> เราเริ่มจากทําดีกับตัวเองกับคนอื่นที่มองเห็นพฤติกรรมของเราแล้วเขาก็จะชื่นชอบบางทีคนเกลียดคนนั้นน่ะอาจจะติดลบอยู่ในใจแล้วก็บอกว่าไปเกลียดไปชอบมันได้ยังไงเนี่ยอืก็เขาก็ไม่มีความสุขเองเนาะอะลูกแล้วขนาดดิฉันถ้าคนที่เขาชื่นชอบเราเขาไปพูดด้วยว่า เอ้แต่น้องเขาน่ารักนะเขาดีจริงๆนะเขามีน้ำใจจริงๆนะเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้หรือว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ทําใจไปอะคะ่ะเขา เ, แบบเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องคิดเนี่ยเขาน่าจะเครียดเองกังวลเองไม่มีความสุขเอ ง, ตองนะแต่เราไม่คิดเราน่าจะสบายตัวนะคะเราสบายกว่าเราสบายใจกว่าถ้าเราไม่คิดนะครับค่ะลุงสุดท้ายคะ่ะลุงถ้าเราไม่รู้สึกเกลียดใครเราจะมีความสุขอย่างไรคะ โอหนะมันมันสวรรค์เล็กๆเลยเนาะเพราะว่าหนึ่งเราไม่เกลียดใครสองไม่มีใครเกลียดเราค่ะมันทำยากเนาะนะรเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังพระพุทธเจ้ายังบอกเลยบอกว่ามันต้องมีคนนินทาใช่ไหมค่ะะบางทีเราทำอะไรเนี่ยบาทีพี่กับลุงเนี่ยมีมีมอุปนิสัยที่เหมือนกันอย่างนึงคือเทํเาทงานแล้วทำด้วยความสริงใจ ทำด้วยความจริงจัง<ช>มลก็ตั้งใจจริงมีการวางแผนพอเราทำออกมาแล้วคนงานออกมาดีพอสมควรถึงดีมากขณะเดียันคนที่มันเกลียดนะเขาอาจจะอิจฉานะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องอยู่ดีนี่แหละไปทุมมันได้ยังไงวะเห็นไหมนะเห็นไหมนะเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเขาเองอะไม่สบายจใจนะครับ เพราะนั้นเราเราจงทำตัวเราให้ให้มีความสุขทำตัวเราให้รู้สึกว่าเป็นเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเดิู้คนก็พูดคุยยิ่มแยกแจ่มใสแล้วท้ายสุดที่อยากจะบอกคือการให้อาภัยค่ะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราสองคนมาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเราทั้งสองคนนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ค่ะลุงในทุกๆวันศุกร์เลยนะคะตีสี่ครึ่งถึงตีห้าค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วดิฉันทีเราดียิ่งมีคะ่ะลุงดวยนับผมคุครับผมลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับราการจิตวิทยา ก, กับ